พระธรรมเทศนาแผ่นที่84ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่20พฤศจิกายน2558มีชื่อเรื่องว่าศีลธรรมจริยธรรมนำหน้าทุกอาชีพ ต่อจากนี้ไปนะคะขอให้ทุกท่านนะคะกล่ญญาวคำอาราธนาธรรมของกันนะคะโรมาจราโลกาที่ปะ แสดงพระธรรมพะเทศนาคุณค่ะหลวงพ่อมาจากไกลหลวงพ่อยังมาก่อนพวกนี้ยังมาที่หลังเอาตอนนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อมีอะไรจะกล่าวให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมโลูกหลานได้รับทราบแต่ดูดูแล้วก็ มองมองดูค ง, งจะเป็นระดับครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้นำที่เป็นอาจารย์สอนคณะตักศึกษาตามกำหนดการนี้ก็โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชช น, นีอุดรธานีวันที่ยี่สิบ ถึง22พฤศจิกา ย, ยนพุทธศักราช2558แล้วก็งกิจกรรมเรื่องจริยธรรมสำหรับการเป็นข้าราชการที่ดีวันนี้นะที่นิมนต์หลวงพ่อออกมาจากป่าดงพงไพเดินทางมาร้อยกว่ากิโล มาเพื่อพบกับคณะครูบาอาจารย์ลูกหลานทั้งหลายเป็นการกล่าวเรื่องจริยธรรมวันนี้เป็นวันที่ย0สิบพฤศจิกายนพุทธศักราช2558ห้าหลวงพ่อจะได้กล่าวที่ได้พูดเบื้องต้นว่าคณะครูบาอาจารย์ ที่สอนวิทยาลัยพยาบาลได้ตั้งหัว ข, ข้อขึ้นมาก็คืออยากจะให้กลูบาอาจารย์พระสงฆ์อย่างหลวงพ่อเนี่ยที่อยู่ในวงการคือว่าอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นพระสงฆ์อยู่แนวหน้าจะได้กล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมเรื่องจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤต การประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสมในการอยู่ชุมกับอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมชุมชนสังคมหมู่มากแต่หลบงพ่อเองก็เห็นเมื่องานเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาทางคณะหัวหน้าทางผ อ, อ, อก็ได้เข้าไปพบกับหลงพ่อว่าอยากจะให้ทาง โรงพยาบาลช่วยทางวิทยาัยพยาบาลช่วยอะไรบ้างหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ช่วยวิทยาลัยพยาบาลก่อนหน้านี้ก็มีการทอดผ้าป่ากระอกได้ซื้อรถบัสใหญ่คันหนึ่งให้กับวิทยาลัยพร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวอุดรในคราวนั้นก็หลวงพ่อเห็นว่าวิทยาัยของพวกเราลูกหลานของเราที่มา ศึกษาอยู่วิทยาลัยมาจากจากเหนือจอดใต้ทั่วประเทศมาอยู่ที่มาศึกษานี่ก็เป็นวิทยาลัยที่มีนักวิทยาลัยมีนักศึกษาตั้งสองกว่าที่สมุขพ่อได้ทราบนะแล้วก็เป็นมีแต่เด็กเด็กหนุ่มสาวทั้งนั้นในเมื่อเขาพ่อแม่ก็ส่งมาที่มาเรียนหนังสือที่วิทยาลัย พ่อแม่เขาก็ต้องเป็นห่วงธรรมดาเพราะลูกสาวของใครใครก็รักเทมาอยู่แล้วก็จะนั่งรถไปที่ไหนไหนมีแต่รถก็ไปค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ลูกพ่อมองเห็นแล้วเอิ้เป็นรถบัดรุ่นเก่ารุ่นเล็กก็สงควรที่จะให้กับโรงกับวิทยาลัยลุงพ่อก็ได้ ชักชนแนะนำสังกับพี่น้องประชาชนชาวนอุดรเขามีจิตศรัทธาเป็นผู้มีน้ำใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะหลวงพอ่อเป็นผู้นำในะคราวนั้นก็ได้ได้สำเร็จรวมกันแล้วก็รวมกันไปรวมกน ม, มาก็ได้ลดคันถึงห้าล้านกว่าบาทท่านหลวงพ่อจะไม่ผิดนะฮะห้าล้านห้าห่อเออห้าล้านห้า ก็ได้ลดคันหนึ่งหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออเนี่จะได้รับใช้ครูบาอาจารย์นักศึกษาที่มาเรียนมาศึกษาไปที่ไหนก็ปลอดภัยพอลดมั่นใจในการเดินทางหลวงพ่อในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ป่าดงพกอยู่ในป่าดงพงไปหลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามในการ พัฒนานระบบการดูแลสารถูกสารกสุขติดของพี่น้องลูกหลานอย่างเมื่อวานในหลวงพ่อก็ได้ให้คนไปดูโรงเรียนแข่แแบบใกล้ๆวัดหลวงพ่อนะ่ะอันน้ก็จะสร้างโรงเรียนอีกแปดห้องเรียนงบประมาณสี่ล้านกว่ามนการะลูกหลานนะอันนี้ก็คือการมองสาธารณะหรือว่ามองชุมชน แต่บ้านอำเภอเพ็รที่อีกหลังหนึ่งกำลังทำทำรังกำลังเทคานขึ้นมาอยู่หลังนี้ก็เท่าๆกันก็เป็นของจัดทาญาดโจมนะแต่ว่าเป็นหลวงพ่อเป็นผู้ไปเห็นขะาหาโบดีผู้ที่มีอันจะกินและท่านก็แสดงความจำนงหลวงพ่อก็เอื้ออำนวยเป็นสะพานบนให้กับท่านเหล่านั้น อันนี้ก็คือสาธารณประโยชน์ตอนนี้หลวงพ่อมาให้กับ เ, เรื่องรถให้กับพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลแต่หลวงพ่อเห็นแล้วก็อึ้เมื่องานของหลวงพ่อเมื่อวันกรถินงานกระิ่นเมื่อวันที่แปดที่ผ่านมาท่านพ่อก็เข้าไปคณะครูบาอาจารย์เข้าไปาจะให้พยาบาลช่วยอะไรหลวงพ่อเขาเออเอาไปดูเถอะนะอันไหนจะช่วยอะไร พาวานานใหญ่ถึงขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วแหละแต่ก็ลงพ่อกรดีรับคำชมเชยจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะลูกหลานที่เข้าไปคือช่วยงานที่พระ อ, องค์พระ อ, องค์เจ้าวระวงเธอพระ อ, องค์เจ้าสมศรีพร้อมกับน้องสาวของท่านหม่อมสาราีเสดดจไปที่วัด ขลุงพ่อทอดภาปกติวันที่แปพฤจิกายุท์ที่ผ่านมาทางวิทยาไรพยาบาลของพวกเราก็เข้าได้ได้เข้าไปช่วยบริการพี่นอกประชาชนมากมายหลายอย่างแล้วก็ช่วยทางหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้วยฟังๆดูนะแต่ลงพ่อก็มันเด้เข้าไปดูไปเห็นหรอกแต่คารัทศไทยญาติโยมคณะกรรมการของวัดบอกเออ เป็นที่ประทับใจนะัลูกหลานทางวิทยาลัย เ, เข้าไปมาช่วยในงานคราวนี้ครั้งนี้พอบางกลุ่มก็ได้เสิร์ฟน้าให้กับพี่น้องที่เขานั่งนั่งอยู่ในเต็นท์เี่พอมันร้อนอาทางวิททางาพยาบาลของเรานักเรียนพยาบาลของเราก็เสิร์ฟน้ําให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พวกวัด ความดันวัดอะไร <c oughs> ทางหน่วยแพทย์ก็ช่วยๆกันคร <c oughs> ับเพราะว่าดูๆแล้วก็เป็นที่พระทับใจนะหลวงพ่อรู้สึกว่าฟิทยาลัยของเราเนี่ยนัอศึกษาของเราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนดีมากหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็เออเป็นที่อพอใจหรือว่ า, อาให้กับ ผู้ที่คนคู่ขนที่เข้ามา เ, เกี่ยวข้องในสาธารณะลูกหลานของเราก็ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนสังคมแต่เพราะว่าอย่างวิทยาลัยหรือว่าพยาบาลของพวกเราก็จะช่วยเหลือชุมชนสังคมอยู่แล้วแต่ลูกพ่อเองก็อยากจะเน้นย้ําในจุดนี้อีกเหมือนกันแต่ก็เป็นที่พอใจหลักที่ลูกหลานเข้าไปและแสดงความอ่อนน้อมอย่างที่พวก คนชุมชนในท้องถิ่นหรือว่าคณะกรรม ก, การวัดได้เห็นว่าลูกหลานของเราที่เข้าไปช่วยงานเขาเนี่ยเป็นที่ประทับใจในการอ่อนน้อมถ่อมตนยกมือไหว้กับแขก ค, คนที่เขามาหรือว่าให้บริการกับพี่น้องประชาชนนี่ลูกพ่อเขว่าเป็นนี่มตตหมายที่ดีส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแต่มาวันนี้ก็ได้มาพบกับคณะ ครูบาอาจารย์ที่ผู้ที่สอนผู้ที่ให้การอบรมกับนักศึกษาพยาบาลของพวกเราหลวงพ่ออยากจะเจน้นย้ำหนักเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคำว่าจริยธรรมคำนี้ในหลักธรรมธรรมของพุทธศาสนาเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอย่าง<ม>พวกเราได้ ถ้าหาว่าพวกเรารู้รู้ภาษาหรือว่ารู้พระบาลีหรือว่ า, า, า, วาอิติปิโสนะอิติปิโสพระว า, ารงสัมมาสัมพุโทโธวิ ช, ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูวิ ช, ชาเนี่ยคือความรู้จรณะคือความประพฤติวิ ช, ชาและความรู้เนี่ยต้องไปด้วยกันเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาอย่างที่ พวกเราอาจจะลืมหลงเงื่อนของตัวเองกับวิชาหรือว่าจรณะเนี่ยเป็นมาอย่างไรแต่ตามไม่จริงมันมาพร้อมกับพ <c oughs> ิธีพิโสเลยพิธีพิโสพระวารหังสมาตพุโธวิชาจรณะสมปนกพิชชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่กรุงกบิลพัฒน์ท่านเสด็จมาเยี่ยมพระ พระบิดาพระปิยุรยาตพอมาถึงโรงโรงใหญ่คือว่าเขาทำสร้างโรงใหญ่โรงสำหรับรับแขก บ, บ้านแขกเมืองลักษณะอย่างนั้นหละในกรุงก บ, บิลพัตร์แต่น่พองก็เสด็จมาก็พระเจ้าเป็นดินก็ทูลพระ อ, องค์เสด็จเข้าไปในประทาบที่ที่ท้องพระโรงใหญ่ เหมือนกับศูนย์ศิริกิจลักษณะอย่างนั้นตอนนี้นเมื่อพระ อ, องค์เะเดตเข้าไปแล้วก็พระ อ, องค์ก็แสดงต้อนรับโอภาปาศัยกับ พ, พ, พ, พระพระประโยชญาตทั้งหลายพระ อ, องค์ก็บอกว่าอานอนท์เธอคบอให้โอวาทกับพระประโยชนญาติท่านเราขอพักพวรกายสะกกอด แต่พระองค์ก็ก็จเจรินเข้าไปประทับอยู่ม่านกั้นม่านไว้ทางด้านหลังแต่พระอนนท์ก็เป็นน้องชายหรือว่าลูกผู้น้องของพระพุทธเจา้าพระบิดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าจุโทธทนะเป็นพี่ชายใหญ่พระพระอนนท์เป็นลูกของน้องชายน้องชายของพระเจ้าจุโทธทนะคือน้องชายของพระพุทธเจา้า พ่พระบิดาของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระอานุ์ก็เหมือนกับเป็นพระปรวพระประโยุรญาตเหมือนกันเพราะเป็นใครๆทุจรกมักคนแต่พระอานุ์ก็เป็นพระเถ ร, ระเป็นพระที่ให้โอวาทกับพระประยุรญาติให้ความเคารพพระอานุ์กล่าวคําหนึ่งว่านะวิชา คือความรู้จรณะคือความประพฤติวิชาความรู้เน่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายยอมรับในวิชาคือความรู้ใครมีความรู้เขายอมรับกันแต่ผู้ใดมีจรณะคือความประพฤติดีเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์เทวดาเนี่ยยอมรับจรณะ ถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวเทวดาเองอยังไม่ยอมรับทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะวิชาที่ไดมาวิชาความรู้ที่ได้มาเนี่ยอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมก็ได้เหมือนเราได้มีดมา เ, เราอาจจะ้าว่าทำให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์มาทำหัฐมาหั่นผักมาทาอาหาร ม า, มาฟักมาฟักไมยำอะไรก็ได้เป็นประโยชน์แต่ว่าใช้มีดเล่มนั้นไปทิ่มไปแทงคนอื่นเขาไปเบียดไปไปสังหารคนอื่นเขาอันนั้นแปลว่าคนที่ใช้มีดเล่มนั้นไม่มีจรณะไม่มีความรอบคพรืไม่มีคุณธรรมในจิตใจถ้าหากว่าคนนั้นใช้มีดเล่มนั้น มีแต่ทำอาหารให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์แล้วเอาไปถางป่าแล้วไปทําอะไรก็ได้มีดเล่มนั้นเน่ยตามความเหมาะสมที่เราจะใช้งานมันก็เกิดประโยชน์แต่เอาไปใช้ให้ผิดประโยชน์มันผิดประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่มีจรณะจะเอาบีดเล่มนั้นเอาไปใช้ผิดประโยชน์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นพระนอนเจียงบอกว่าวิ ช, ชาคือความรู้คําน้นะอะ เป็นที่ยอมรับของมนุษย์แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีคุณธรรมคุณธรรมที่สูงส่งขึ้นไปไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาถ้าหาว่าผู้ใดมีความรู้ทั้งคู่ทั้งคุณธรรมคือจริยะเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระานนท์ได้แสดงธรรมในวันนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับวิชาคือวิชากฎหมาย ถ้าว่าเราใช้ไปในทางที่ถูกต้องเอากฎหมายมาปกครองพี่น้องประชาชนจัดทายญาติโยมทุกหมู่หลักก็ร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันเพราะทุกคนอยู่ในกฎกติกาอยู่ในกฎหมายแต่ถ้าว่าเอากฎหมายตัวนั้นผู้ที่รู้กฎหมายเอากฎหมายตัวนั้นเอาไปใช้กับคนที่ไม่รู้กฎหมายเอาไปปูเขียนบังคับเขาว่านี่คุณทำผิดกฎหมายข้อนี้ข้อนั้นนะ จะได้กับขู่กันโชคทรัพย์ของเขามากต่อมากเพื่อเผื่อทำทำให้เขาติดคุกติดตลาดอีกต่างหากเพราะเรารู้กฎหมายเอาเขาที่เขาไม่รู้กฎหมายเอาไปใช้กับเขาอันนี้แปลว่าคนนั้นขาดจริยธรรมรู้กฎหมายเป็นผู้มีความรู้แต่ว่าขาดจริยธรรมนําเอาไปใช้ไม่เกิดมันก็เสียเป็นโทษกับการเป็นการกระทํานั้นอันนี้แหะคือขาด คุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อพระ อ, อานุ์แสดงธรรมจบลงแล้วนะพระ อ, องค์ พ, พระพรทธอค์ พ, อพระพุทธเจ้าจเสด็จออกมาจากที่ประทับ พ, พระพุทธองค์บอกว่ า, วาอ้ออนุ์พูดถูกต้องอานุ์พูดถูกต้องอานนุ์พูดถูกต้องคือท่านรับรองว่าคําพูดของพระ อ, อานุ์ที่ตรัสว่าวิ ช, ชาคือความรู้จารณนะคือความประพฤติถ้าหากว่ามีแต่ความรู้อย่างเดียว ไม่เป็นที่ยอมรับของเทวดาแต่มนุษย์ทั้งหลายยอมรับกันเพราะว่ากลัวความรู้นั้นแต่เทวดาผู้จิตใจที่สูงส่งกว่าเนี่ยถ้ามีแต่ความรู้อย่างเดียวยังไม่ยอมรับถ้าหากว่ามีคุณธรรมจะได้ยักทมเข้าไปด้วยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าของหลวงพอ่อนี่ก็เหมือนกัน เพราะนั้นการจะแนะนําสั่งสอนคณะศิธิ์ของพวกเราวิทยาลัยพยาบาลเราก็ต้องสั่งสอนว่าวิทยาลัยของเราต้องทํางานกับพี่น้องประชาชนคนในชาติคนในชาติเหมือเสมือนถือเสมือนว่าเป็นญาติติธรรมของพวกเราแต่ไม่ใช่คนในชาติแต่นั้นคนทั้งโลกเนี่ยเป็นญาติธรรมของพวกเราเป็นญาติของพวกเราใครๆก็เกลียดทก ต้องการความสุขทุกขนดเพราะนั้นเมื่อเขาเหล่านั้นถ้าตามโปรติเขาจะไม่เข้ามาในโรงพยาบาลแต่ที่เขาเข้ามาโรงพยาบาลเพราะเขามีความจำเป็นจะต้องเข้าสู่กับเข้าสู่โรงพยาบาลในเมื่อเราทำงานพยาบาลดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รู้อยู่แล้วว่าจิตใจของเขา ไม่ปกติแล้วในช่วงนั้นเพราะร่างกายเขาเจ็บป่วยกาทั้งอารมณ์ของเขาก็คงจะมีขึ้นลงแต่พวกเราที่เป็นคนดีพยาบาลเนี่ยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในจุดนี้อย่างมากต้องฝึกไว้อย่างมากทีเดียวฝึกความอดทนจุดนี้ไว้อย่างมากถ้าว่าไม่ฝึกไว้จุดนี้ไว้อย่างมากล่ะอาจจะเป็นขันแตกได้ไง่ายๆไม่ใช่ขานตีนะ ขาดการอดทนทำให้เสียหายได้ง่ายเพราะนั้นอยากจะให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์ของนักศึกษาวิทยาลัยแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่ทั้งยังไงก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเป็นหลักเป็นตัวอย่างให้กับเขาดูอีกเหมือนกันนะอยากจะให้ลูกน้องดี เราต้องทําดีให้ลูกน้องดูอย่างอย่างลุงพ่อก็เหมือนกันลุงพ่ออยากจะให้ลูกศิษย์ ด, ดีลูกลุงลุงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ ด, ดูพ่อแม่อยากจะอยให้ลูกดีก็ต้องทําดีให้ลูกดูอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นธรรมชาติถ้าว่าพวกเราอยากจะสอนคนอื่นให้เป็นเขาเป็นคนดีเราต้องทําตัวอย่างให้เขาแนะนําจังสอนเขา และเขาก็จะได้นำแนวความคิดหรือแนวการประพฤติปฏิบัติของเราเอาไปใช้ต่อชุมชนสังคมก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากอ่าเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาอบรมจริยธรรมอีกวันสองวันก็จะมีอีกอสองวันติดต่อกันแต่วันนี้เป็นวันแรกที่หลวงพ่อได้ มาบอกกล่าวแต่ถึงยังไงเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเป็นหน้าที่ของพวกเราการอยู่ด้วยกันแต่ถึงยังไงก็ยังไม่พ้นถ้าหากว่าพวกเราทุกๆท่านถ้าหากว่าคิดดูตามแนวแถวของพุทธหรือพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์สอนเรื่องศีลห้าเนี่ยศีลห้าข้อนี้หละ สินห้าเนี่ยเป็นสินคุ้มของโลกเป็นสินที่ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้าที่หลวงพ่อสอนจริยาธรรมพูดมาทั้งหมดนี่ก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราต้องการความสุขเขาคนอื่นเขาก็ต้องการความสุขอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นสิ่งที่มันทุกเราจะทำให้กับเขาถ้าว่าเรา ไปทำให้กับคนอื่นเขาถ้าเขามาทำให้กับเราอย่างนั้นละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่อันนี้ก็พยายามสอนให้กับลูกศิษย์ที่เข้ามาศึกษากับพวกเราถ้าว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องของเราไปเจ็บไข้ได้ป่วยในที่อื่นแล้วคนอื่นเขาทำอย่างที่เราทำให้กับเขานี่แหละเ ร, เราทำสิ่งที่ไม่ดีกระโชคกรชา ดุดาว่ากก่าวอักธรรมกับกิริยาที่ไม่เหมาะสมใช้อารมณ์โกรธให้กับเขาถ้าเขาทำให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราหรือทำให้กับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเมื่อเราไปทำให้กับเขาก็าจคงจะเช่นเดียวกันเขาคงจะเสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นจะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ ศ, ศาสนาท่านจึงบอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่างสิทธ่าอย่างที่หลวงพ่อจะอุปมาอุปไมยให้ฟังเมื่อเราไปฆ่าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาเกิดแล้วไปแต่เมื่อไะไรเขามาฆ่าเรามาคิดฆ่าเรามาคิดพาพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจคนอื่นเขาก็คงจะเช่นเดียวกันกับเรา ถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสามีภรรยาคนอื่นของเขาก็เช่นเดียวกันถ้าหาเราไปทําล่วงล้ําเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจถ้าเราไปโกหกเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกเราเราก็เสียใจถ้าเราไปดื่มสุรา กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนขาดชติแล้วเราไปทำให้กับคนอื่นเขาอย่างพวกเราเห็นพวกยาบ้าแต่ติดยาบ้าและติดบุหรี่ไอติดดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนขาดชติในเมื่อขาดชติเราทำความชั่วในทุกอย่างเพราะคนขาดชติ เพราะนนเวลาคนขาดจิแล้วขับรถไปไปเฉียวไปชนคนอื่นเขาเน่ยเป็นยังไงเขารู้เขามีความเสียความรู้สึกแต่เราก็รู้ว่ามันถ้าไปดื่มไปไปดื่มแล้วไปเสพเข้าไปแล้วมันขาดติมันต้องขาดจิแน่แต่เราทําไมไปดื่มพอดื่มเข้าไปแล้วมันก็ต้องขาดจติตเพราะน้ําเนี่ยเป็นเป็นกินเข้าไปหรือเสพเข้าไปแล้วมันขาดจติต เมื่อขาดทิฏฐิและทมทำความชั่วเสียหายเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เ, นเขาเราเขาเราตลอดเพราะนั้นให้พวกเราพระนัรรกทายญาติโยมทุกๆ ท, ท่านอยู่นักจตหานาไหนเราต้องทําตัวทําใจของเราให้เป็นกลางหรือว่าให้ดูเขาดูเราถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้าเรา ไปทำสิ่งนี้ลงไปที่มันไม่ถูกต้อง้าไปเจอเขาก็เสียใจเรื่องไปทำให้กับเขาเขามาทำให้กับเราแบเช่นเดียวกันเพราะนั้นเลื่องคุณธรรมศีลธรจริยธรรมไม่ได้อยู่อื่นไกลยอยู่ในจุดนี้หลวงพ่อมองมองดูแล้วนะคล้ายๆว่าทำให้กับเขาเรามีความพอใจไหมอย่างหลวงพ่อสอนสอนพวก ทำบ้านจัดสรรหลวงพ่อเนสอนไปเรื่อยท่า น, นลูกหลานนะออสอนบ้านจัดสรรเขาสร้างบ้านจัดสรรสร้างเส็บางบ้านจัดสรรสรา้ า, สสรางแล้วบางทีไม่ได้ขายขายแล้วนี่ยเขาส่งคืนมาบ้างหลวงพ่อบอกว่าการที่จะส่งมอบให้กับเขานัะนะเราเจ้าของผู้สร้างเนี่ยต้องขึ้นไปดูดูให้ดีทุกอย่างสีอยู่ตรงไหนมันด่างตรงไห น, น เทน้ามันลาดในห้องน้ำมันเอียงมันลาดไปตรงไหนมันลงไปตรงไหนชักโครกมันไหลดีมันไหลไม่ดีเออทดลองมาลึกเป็นสิบสิบครั้งไม่มีปัญหาดูทุกอย่างเออถ้าบ้านของเราถ้าให้ว่าเราได้ได้บ้านอย่างนี้เราเป็นที่พอใจเออเราเป็นที่พอใจบ้านอย่างเนี้ย ท, ที่เราดูเนี่ยไม่มีที่ตาหนิเลยเดิน รอบหลายๆด้านลาหลายครั้งลหลายครั้งในเมื่อเสร็จแล้วเราก็ปิดประตูเลยไม่ให้ใครเข้าไปอจนกว่าเจ้าของที่เราจะมอบให้เขาเราจะมอบหุ่แจให้เขาเลยเอ้าวเข้าไปดูได้ในเมื่อเขาเข้าไปดูเขาก็เหมือนหัวใจเขามาใส่ใจรอเหมือนกันใจเราไปใส่ใจเขาเหมือนกันในเมื่อเราชอบเราไม่มีที่ตําหนิงเขาที่มารับเขาก็ต้องชอบใจเหมือนกันเพราะอะไร เพราะว่าเราเป็นช่างเขาเนี่ยเป็นผู้มาอยู่อาศัยเขาเป็นผู้จ่ายเงินในเมื่อเราทําดีเขาก็ต้องยอมรับเราถ้าว่าเรานี่จะให้ลูกน้องไปดูเอาไปทำเ ล, ลูกน้องก็ไปดูกดรวดกระดาเพราะมันลูกน้องไงเพราะที่สุดเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาก็ส่งคืนเนี่ยไม่ไหวมีปัญหานี่แหละเพราะอะไรเพราะ เราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ดูนี่นี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือการที่จะทำให้กับคนอื่นเขาเขากับเราเราเขานี่แหละเรื่องจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติในจุดนี้ให้พวกเราทุกท่านครูบาอาจารย์พยายามถ่ายเท ถ, ยถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาวิทยาลัยพยาบาลของพวกเราให้มี คุณภาพศักยภาพพอต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเอเอีอกไม่กี่ปีน่ปีห้าเก้าเนี่ย 5, 9, มั้งประชาคมอาเซียนก็จะเข้ามาเปิดคนทั้งหลายก็ล่วไหลไปหากันอะไรดหลวงพ่อว่าวพยาบาลวิทยาไหลยพยาบาลของเราเผลน้อยเกินไปหลวงพ่อว่านะ <laughs> มันต้องมากกว่านี้พิทยากรหรื อ, รอว่านักศึกษาของพวกเราเพวกเราอย่าไปนั้นเลยทุกพ่อมั่นใจเลยว่าพวกเราต้องมีสกเรยาภาพจะไปต่างประเทศในรลกแวกนี้น่ะในประชาคม อ, อาเซียนของเราเราต้องนำหน้าเขาแน่นอนเพราะเราประเทศของเราขอเรื่องอกิริยามารยาทเรือ่อการคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ของพวกเราเราก็เด่นเน้นหนักกันมาพอสมควรแต่เมื่อเราได้ทํำลงไปหลวงพ่อว่าลูกหลานวิทย์เองพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลของเราเนี่ยคงจะผลิตไม่ทันทีเดียวล่ะหลวงพ่อว่านะอพอท่านขอให้ฝากไว้กับคณะนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นครูบาอาจารย์พยายามสอนสั่ง ลูกหลานของเราให้มีให้รับผิดชอบใครทาหน้าที่อะไรหมอบหมายอะไรพยายามให้รับผิดชอบในจุดนั้นแต่นิสัยของคนไทยของเราเนี่ยจุดนี้หลวงพ่อเดี๋ยวนี้หลวงพ่ออยู่วัดนะหลวงพ่ออยู่วัดมีลูกศิษย์มาทั้งสี 5, ง่ห้าสี่ปงโดยเฉพาะออย่างยิ่งพระนวกกะจบปริญาตรีโทมาเนี่โดยมากปริญาตรีเนี่ยลูกหลานที่จบมาใหม่ โดยมากทำอะไรมันมักง่ายหลวงพ่อถ้าเปรียบเทียบนะทำอะไรมันทิ้งทิ้งควงควางเอ๊ะทำไมลูกหลานของเราเนี่ยมันเป็นเพราะครูบาอาจารย์ไม่สอนหรือเปล่านะหลวงพ่อ ย, ยังตำหนิไปหาต้นสังกัดอีกเพื่อนกั น, นทำไมครูบาอาจารย์ในโรงเรียนไม่สอนลนความรับผิดชอบจุดนี้น่ะ ทำไมลูกหลานของเรามันจังห่างห่างห่างอย่างนี้หว่าเนะแต่สมัยลงสมัยก่อนสมัยหลวงพ่อเป็นขุดลูกศิษย์กู่บาอาจารย์โอ้ทำาอะไรลงไปเนะี่ยพอทำเสร็จแล้วเก็บกบกรบฝังให้เรียบร้อยจอบเสียมเอามาใช้ใช้แล้วเอามาล้างน้ำเก็บเอาเป็นที่เป็นทาง ใครออกมาออกมาจะไปออมาใช้ใช้เราไปเอาไปใช้เก็บลงมาล้างเก็บเออแต่ทุกวันในใหม่พอใช้ลราโยนทิ้งเลยเกินไปหมดพอที่สุดหาจอบหาเสียมจะใช้ในวัดก็ไม่มีทีนี้เห็นแล้วทำไมลูกหลานคือตุดเกิดใหม่ใหญ่ทีหลังนะทำไมเป็นอย่างนี้ว่าลงพ่อว่าน่ะเออ อ, อแล้วก็ตั้งแต่โรงเรียนเป็นต้นมาโรงเรียนในโรงเรียนทั้งหลายแหละถ้ามีงานโรงเรียนไอ้ทางขยะเนี่เต็มเกินไปหมดขาวโพลนไปหมดเลยทั้งโรงเรียนหลวงพ่อเออมันไม่เหมือนต่างประเทศครูบาอาจา ร, รย์ทําไมไม่สอนของเล็กๆน้อยน้อยเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องที่ตัวรับตรงรับผิดชอบน้อยซะก่อน ต่อไปควจะรับผิดชอบใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกเรามันไปรับผิดชอบแต่น้อยขึ้นไปแล้วใหญ่ขึ้นมามากก็นั่นแหละทิ้งๆความๆหลวงพ่อไปเห็นเนี่หลวงพ่อเชอรี่วัดป่าบ้านตาด เ, เวลาตอนเช้ามานันท่านจะเดินออกมาแต่เช้านะเดินบิธบารก่อนลงตาพอไปแล้วไปเห็นก้นบุรีกระเดเ็ดเศษกระดาษ เก็บเก็บเก็ บ, บใส่แล้วกมวนมวนจนไอ้ยอ้อย่างดีหรอกไปแล้วก็ต้องไปทิ้งใส่ถังขยะทำไรอย่างต่อไปเก็บไว้ให้ดีแปลว่าในวัดป่าบ้านตาดแถวซาลงซาลาบริเวณแ ถ, แถบนั้นรลวมพ่อเชอร์ี่เห็นขาวๆไม่ได้เก็บมดุดท่านบอกว่าสมัยผมเป็นเด็กถูใาจา์ของผมในโรงเรียน ถ้าไปเห็นเศษกระดาษคูณเรียนต้องเก็บใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าเสือ้อคุณเรียนชี้ถ้าเห็ น, นมันเป็นนิสัยเลยทุกคนเห็นเห็นต้องเก็บเลยเก็บแล้วก็ใส่กระเป๋าไปตื่นเขาอาจากกระเป๋าไปทิ้งใส่ถังขยะอันนั้นคือเขาสอนมาตั้งแต่เป็นเด็กเพราะนั้นหลวพ่อว่าเนี่ยนิสยัยหรือว่า เ อ, อการรับความรับผิดชอบในจุดนี้เนะี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์คุณพ่อวันน่าจะเอามาสอนให้ลูกหลานของเราได้ดูรับผิดชอบไม่ใช่ว่าจะดูที่ไหนก็ทิ้งเกลือนไปหมดเป็นผู้ใหญ่มากกโยนทิ้งเกลือนไปหมดเพราะในสุดขยะเลยเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าไม่มีไอ้ผู้ที่เก็บนี่นก็เก็บไม่หวัดไม่ไหวอีกเหมือนกันเพร่อใหญ่พ่อเรา พวกเราทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางไม่ได้ฝึกไม่ได้สอนกันมาแต่แต่เด็กแต่เล็กหลวงพ่ อ, อาวานอ่ะเพราะฉะนั้นจริงเหล่านี้หลวงพ่ อ, อาวานอย่างร้อยมันก็ต้องสอนสอนกันบ้าง ก, ก็ดีเหมือนกันนะเ อ, อความรับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้นะต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากใกล้จะได้สํานึกได้ว่าเอ อ, เ อ, อการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันเนะี่ย ในชุมชนสังค ม, มควรปฏิบัติอย่างไรให้มีกฎเกณฑ์อย่างไรต่อไปแต่นี่เดี๋ยวนี้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเข้าประชาคมอาเซียนนะไม่รู้มันจะเป็นลักษณะยังไงไม่รู้เขาไม่รู้เราอีกเหมือนกันอาเซียนของเรานั่นรู้สิว่าไทยก็ไม่แพ้ลาวเราก็ไม่แพ้เขมรเขมนก็ไม่แพ้ยวน แปลว่ามันเท่าเท่ากันนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อว่านะเ อ, อแต่หลวงพอมองมองดูนะอาจจะดีก็ได้นะแต่หลวงพอมอ ง, มองมองแบบพระป่าพระป่าพร ะ, พระดงนะเออแต่มองมองดูแล้วกลัวมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่ที่ยังไงการทําคุณงามความดีอย่างหลวงพ่อเคยบอกเคยสอนว่าการสร้างคุณงามความดีการทําคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากเรานะ ถึงจะใครจะทิ้งขยะยังไงก็ตามเราจะเป็นผู้เก็บเราจะไม่ทิ้งสิ่งที่มันจะทำให้เสียหายทำให้เดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนเสียหายเราจะทำให้ดีที่สุดเมื่อเราสำนึกหรือเมื่อเราตึกคิดํำนึกได้แล้วว่าเราจะเป็นคนดีให้นับหนึ่งจากข้าวไปเจา้าแต่ถ้าวัวทุกคนเมื่อเด้รับการศึกษาได้รับการเรียนรู้ ต่างคนก็ต่างนับหนึ่งจากข้าพเจา้าจากตัวเราเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งคนนั่นก็ทําดีคนนั่นก็ทําดีต่างคนก็ต่างนับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอแต่ถ้าว่าพวกเราคิดว่าเขาควรจะทําดีแต่ตัวเองเนี่ยปล่อยปาะละเลยทิ้งเกลื่อนไปหมดเนี่อแล้วจะให้แต่คนอื่นทําดีหลวงพ่อมันก็ยากเหมันกันหนะ ไม่รู้จากใครก็โยนกันไปโยนกันมาโยนกันมาโยนกั น, น, กนไปบวชน้นข อ, ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่เรื่องจริยธรรมหรือศีลอยากหลวงพ่อได้พูดเรื่องศีลก็คือศีลท่าสำหรับฆราวาสถ้าว่าเป็นผู้มีศีลท่าถนัดทัดเองศีลท่าในศีลคุ้มคลองโลกถ้าว่าคนทํา คนที่มีศีลห้าแล้วไม่ติดคุกไม่ติดตาราง อ, อแต่บางคนเอาทําไมคนที่มีศีลติดคุกก็มีอยู่หลวงพ่อใช่มันศีลปลอมถ้าศีลไม่จริงถ้าศีลจริงตามหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธาแล้วหลวงพ่อมั่นใจคนที่มีศีลห้าแล้วเป็นศีลคุกปองกายวายใจาแต่เสียตกรรมกรรมเก่ากรรมเก่าอั น, นี้คือกรรมเก่าคืออะไรนะ ที่เรารักษาศีลดีอยู่อแต่ว่าคนหาเรื่องหาราว่าเราเป็นคนเลวคนชั่วเอฟ้องร้องสู่คดีเขาไม่ได้เพราะว่าเราเ อ, อเราอ่อนตอนหลักฐานเยเรามหาพยานหลักฐานไม่ได้เขาพยานหลักฐานเขามั่นคงกว่าเ อ, อเขาก็ทําให้ติดคุกอันนี้ก็ได้ยินมากต่อมากเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้ทําความผิด บางทีเขาฟ้องรอ้องขึนมากเลยไปเที่ยวไปสารบ่อยแล้วเกิดครอบครัวก็จึงไม่มีเงินอีกต่างหากเอ้าให้มันจบจบไปใช่ยอมติดคกุกซะทั้งที่เราพยายามทำหรอกแต่ยอมติดให้มันจบไปมีมากอีกเหมือนกันจุดนี้พอได้ยินเราก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน อ, อไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นมันมีฮลักษณะอย่างนี้อันนี้สรุปรก็คือกรรมเหมือนกัน่ะ นี่หละของพุทธศาสนานะกรรมคงจะหาเรื่องหาราวใส่เขาในอดีตชาตินะมาเกิดมาพบในชาติที่ก็เลยเไม่เป็นเรื่องตัวเองก็เลยติดได้รับกรรมที่ทั้งที่ไม่ไม่มีแต่กเพียงแต่เขาอิจฉาพยาบาทอาฆาตเท่านั้นเองนี่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะและก็พร้อมการขอให้พวกเราพณะจทหายาตยมลูกหลานทุกคน ที่นั่งต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยถึงยังไงทางไงถึงพวกเราจะทำตนดีอยู่ในชุมชนสังคมถึงยังมั่งมีสีสุขร่ำรวยให้มีความสุขในชุมชนสังคมในมนุษย์โลกพูดง่ายๆแหไม่มีอะไรตั้านิหลวงพ่อก็เคยพูดว่าเงินคำทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เราหามาตั้งแต่ เล็กแต่น้อยทําการทํางานหาเงินมาเงินส่งเราถึงโรงพยาบาลหลวงพ่อบอกนะส่งเราถึงโรงพยาบาลเพื่อรักษาสุขภาพหมอก็ได้ได้เงินในการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายทั้งยาทั้งอะไรทุกอย่างค่าตรค่าเตียงค่าอะไรมทุกอย่าง เงินใน ส, ง ถ, ง, สงถึงสงึงเรง า, า, าถึงโรงพยาบาลความถึงโรงพยาบาลแล้วทึ่จะรักษาอย่างไรสุขภาพนี้มันก็มีจุดจบของมันถูงสุดผลที่สุ ด, ด, สดร่างกายนั้นก็หมดสภาพตายทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ร่างกายนี้นถึงจะอย่างไรก็ต้องถึงจุดจบอยู่ในโรงพยาบาล สรุปแล้วเงินคําทรัพย์สมบัติส่งเราถึงโรงพยาบาลแต่ในเมื่อถึงโรงพยาบาลเมื่อถึงจุดจบแล้วแตนี่ญาติโกโหติกาพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายวงศานาญาติลูกหลานทุกคนที่เป็นคนดีเอ่ห้อคนเนี่ยเอาร่างของเรามาบําเพ็ญกุศลพอมาเป็นบําเพ็ญกุศลก็ส่งขึ้นไปถึงเมเอญาติพี่น้องเลยส่งขึ้นไปเมณ น, นะ ตัวเองไปไม่ได้เะมั น, ม, นมันตายและในญาติพี่น้องก็จับจัดเข้าในหีบในโลงเสร็จแล้วกันนะ่ะส่งขึ้นไปเมนก็ไปวางดอกไม้จันทร์ออออาไใดที่ได้กระทำไว้โอโหสีรรมให้ด้วยนะ เ, ออเมื่อเราได้ทำกรรมอะไรไว้ตัวท่านจงโปรดโหสีรรมใหเออ้เราด้วยเราก็โ อ, อ้โอหสีรรมให้ท่านเหมือนกัน ขอให้ท่านไปดีไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องคนใดที่จะกระโดดเข้าไปในโลงด้วยไปเผาด้วยไม่มีพอไปส่งเสร็จแล้ววางโลงไม้จันรกระต่างคนกระต่างถอย <c oughs> ที่นี่เขาก็เผาเผ า, เ, าเลยใช่ไหมบัานเนีเ่ยเผาเรา่างของคนคนตายพอล่างคนตายเสร็จแล้วทีคนตายนั้นมันไม่หมดแต่ร่างเท่านี้ ดวงวิญญาณมันมีอยู่ในนั้น่ะในร่างกายเน่ในหลักของพุทธศาสนานกายกับใจใจกับกายใช่ไหมเผาเผารถจริงแต่โชเฟอร์ออกจากรถไปแล้วเไยไปยืนอยู่ข้างไปคืนอยู่ข้างเมนนั่นแหละที่โชเฟอร์นะ <c oughs> ่ะเออตอนนี้พอเสร็จแล้วก็เออโชเฟอร์ไม่รู้จะชวนใครไปใช่ไหมล่ะมันคนละลูกมันคนละมิติกันแล้วที่ไหนะ โจอเฟอร์ก็ไปคนเดียวเท่านี้นนอัตหิอัตโนนาโถเออตนแลป่ปิพึ่งของตนโกหินาโถปโรชิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ทีนี้โซเฟอร์ได้ก็ไปตามทําลําพังแล้วบุญกับบาปเป็นเพื่อนสองถ้าเราทําบุญบุญ น, นั่นแหละเป็นเพื่อนสองของของดวงวิญญาณถ้าเราทําบาป บาปก็เป็นเพื่อนสองของดวงวิญญาณนั่นเองเท่นถ้าว่าเราทําบุญบุญเป็นเพื่อนสองเอ้ยเรากับเพื่อนกับเพื่อนเอ้ยจะให้เราไปไหนวะเพื่อนเพื่อนบุญเขาก็ต้องพาไปเกิดเออเป็นมนุษย์จะไปเกิดที่ไหนวะเพื่อนเออมีกระเป๋ามีเงินมากไปมเออเออถ้าว่ามีเงินมากใช่ไหมเราก็ไปเลือกเกิดได้ไปเลือกเกิดที่ไหนก็ได้เพราะมันเรามีเงินมากใช่ไหม อถ้าไม่มีเงินน้อยเราจะไปตามที่เราต้องการมันก็ไม่ได้สมบัติว่า อ, อยากจะไปอเมริกาจนแล้วมีเงินเท่าไหร่มีเงินอยู่หมื่นสองหมื่นก็ไม่ถึงหรอกถึงได้แต่เมืองลาวถึงได้แต่เขมรแล้วก็ไปได้ถึงเขมรกับเมืองลาวใช่ไหมละ่ะจะไปถึงอเมริกาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเงินมันน้อยเพราะบุญเราน้อยกับลักษณะอย่างงั้นละ่ะเออ แต่ถ้าหากว่าบาปป่นบาปให้งานบาปเล่นงานเนะเมื่อบาปเล่นงานพอตายไปแล้วทีเรามีแต่ทิฏวงว่าตายแล้วสูนตายแล้วไม่ได้เกิดอีกหรอกคนมีแต่คนโกหกนั่นแหละอตายแล้วเกิดตายแล้วเห็นไปเผาไฟแล้วก็จบไปไม่เห็นไปเกิดที่ไหนแต่ดวงวิญญาณแตนะ่นั้นมันออกจากร่างไปแล้วทีมันก็บาปที่ตัวเองได้ทําไว้เพราะตัวเองไม่เชื่อ ไอ้ใจบาบุญคุณโทษไม่เชื่อว่าอนโกสวรรค์ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเออบาปกุศลตอนนั้นก็มันทํากรรมชั่วในปัจจุบันกรรมชั่วนี่นก็เข้าไปเป็นเพื่อนสองอย่างไอ้จะทำอย่างไรวะตะแก่ไอ้ทําทความชั่วมากเหลือเกินวะเอานั้นเอาลงไปหลุมไหนวะ <c oughs> เออก็พาไปทันสู่นรกใช่ไหมล่ะไปโยนลงนรกเลยเพราะมันทํากรรมที่ไม่ดีเไว้เยอะแยะ Hmm. ออกจากนรกมามาเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์ที่ทะฉานนาน า, นาชนิดป้รยะอะไรเพราะว่าบาปบาปพาไปได้แหละอันนี้สิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนนะให้ศึกษาในจุดนี้เพราะหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจนะ้าท่านให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องบาปบุญคุณโทษในจุดนี้นะ ท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจท่านที่ได้รพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โครนต้นโพนะศึกษาค้นคว้าที่โพนพวันเดือนหกเพนไปศึกษาจังหกปีไปศึกษาหลักธรรมจุดนี้นะคือจิตวิจิตศาสตร์จิตวิทยา เรื่องตายแลวเกิดได้ larını, ตายแล้วศูนย์พรพระพุทธองค์ไปนั่งขัดสมาธิจนได้ตัสรู้ในวันเดือนหกเพนนะบปุกเพนิว่าสานุจติยานรละลึกชาติโขนหลังได้เนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านได้ไปศึกษาค้นคว้าอยู่ถึงหกปีท่านบอกท่านก็บอกได้ว่ามโนปุพังขมาธรมามโนเศรษามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจท่านว่าในร่างกายของเราเมีสองคือรูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจิตใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดนั่นนะ่ะนั่นคือนามธรรมอมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อนามธรรมแต่ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ก็ดีวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปก็ดีเขาว่าสมองสมองทํางานแต่ใจสมองทํางานก็จริงอยู่แต่ในหลังของพุทธศาสนาหลัทธิธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าใช่สมองก็ใช่แต่สมองมันเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือของของใจเหมือนกับรถนี่ที่เราได้มาพอจะตัดเครื่องเติมขึ้นมาไอ้พอเกิดขึ้นมามันก็มีสมองกลอขึ้นมา สมองตัวนี้นะสมองกลตัวนี้ถ้าลถราคาแพงเท่าไหร่สมองกลตัวนี้มันจะบอกขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแล้วบอกว่าน้ำามันรถจะวิ่งได้ทั้งกี่กิโลเออตาตาข้างซ้ายมีปัญหาอารอล้อรถข้างหลังเอออ่อนมันจะบอกสมองกลตัวนี้นะสมองกลตัวนี้มันจะบอกแต่คนที่รู้สมองที่มันบอกนั่นคือใคร คือโซเฟอร์นะโซเฟอร์เนี่ยเป็นผู้รู้ว่าสมองคนตวนี้มันบอกมาแต่นในหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขายังเายังจับไม่ได้ตัวนี้ยังมองไม่เห็นเห็นแต่สมองเท่านั้นแต่เขายังไม่เห็นคนที่ไปใช้สมองคือใครเนยแต่หลักของพุทธศาสนาพวกพุทธเจ้าทัดข้นคว้าศึกษาท่านบอกว่าคนที่ไปใช้สมองน่คือใก้ ใจนามธทําใจตรงนี้นะเป็นผู้รับรู้เรื่องต่างๆแต่สมองร่างกายเนะี่ยอีกสักวันหนึ่งหมดสภาพแต่เมื่อพร้อหมดสภาพแนละ้วใจตรงนี้ออกจากร่างเหมือนโซเฟอร์ออกจากรถอย่างนั้นหละอย่างที่หลวงพ่อได้่ยเพียบเปรียบเทียบให้ฟังเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะศึกษานะจุดนี้นะให้ศึกษา ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติคาดคะเนประมาณการเดาไม่ได้ทั้งนั้นหลักของพุทธศาสนาที่เราเรียนตำหนับตำลมามคื อ, คอเรียนแผนที่เท่านั้นเองที่เรียนแผนที่เราจะต้องเดินตามแผนที่การปฏิบัติคือเดินตามแผนที่เพราะพระเดชเจ้าที่ท่านแนะนําสั่งสอนคือแผนที่แต่พวกเราปฏิบัติตามแผนที่จึงจะรู้ได้ รู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเดินตามแนวแถวของพุท ธ, ธะหลวงพ่อจะรู้มั่นใจว่าพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเวลานั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเน่ยนิ่งจิตนิ่งนะเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเราจะเห็นได้ชัดในความรู้สึกของเราไม่ต้องถามใครท่านเราจรองรู้อะไรเล ย, เลยว่าร่างกายเนี่ยเป็นอันหนึ่ง จิตใจนี่คือโซเฟอร์รถร่างกายเหมือนกับรถอาศัยกันอยู่แต่เป็นคนละอันกันแต่เมื่อร่างกายหมดสภาพโซเฟอร์จะออกจากรถไปหาซื้อรถคันใหม่หรื อ, อย้ายไปหาที่อื่นนั่นและบุญนั่นแหะจะเป็นเพื่อนสองถ้าเราทำบาปบาปก็จะเป็นเพื่อนสองของใจนั่นแหละชนสุด เงินที่เราหาแ ส, สวงหามามากต่อมากส่งไปถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องของเราดีแสนดีทุกคนส่งไปถึงเมน <c oughs> จากนั้นก็เราก็เดินตามลาพังอัตติอัตโนนาโถอะไรถ้าเราได้ทำบุญไว้บุญก็จะตามสนองถ้าทำกรรมช่วยกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทานคณะัาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่ง ที่หลวงพ่อเองได้มาพบมาเจอกับคณะตถาญาโจงครูบาอาจารย์ลูกหลานทุกคนอ่อถือว่าเป็นคนสาธนารณะแล้วคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่างกายทุกคนจะต้องเข้ามาโรงพยาบาลเโรงพยาบาลก็คือพวกเราเนี่ยละ่ะ โรงพยาบาลเขาไม่ใช่หลงเขาไม่ใช่ว่าโลวงหมอนะเออนี่แต่เมืองลาวล้วก็เรียกหลวงหมอใช่ไหมแต่เมืองไทยเขาว่าโรงพยาบาลแสดงว่าพยาบาลต้องใหญ่กว่า <c oughs> ใหญ่กว่าแพทย์กว่าหมอเลยหลวงพ่อว่ายังไงตัวโรงพยาบาลฮนะเพราะเราเป็นพยาบาลนะเอจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเอเข้ามาที่เข้าม า, า, มาดูเข้ามา เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉนั้นเลือกคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่พวกเราได้พูดกับคือเป็นหัวข้อขึอข้นมาเนี่ยลุงพ่อจําเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่การอยู่ด้วยกัน เ, เวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอารมณ์เขาเป็นยังไงฉุนเฉียวโมโหโกรธาอะไรพวกเราที่เป็นพยาบาลต้องฝึกฝึกรับเอาไว้นะฝึกดูกฝึกหลานเอาไว้ใจเย็นๆนะลูกหลานนะ เราจะไปสนใจเราจะไปทํำยังไงได้เขาเจ็บไข้ได้ป่วยรรเราต้องออใส่ใจประคองปกครองก็น่าลูกหลานนะเราต้องสอนกูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหา อ, อถ้าว่าเราทําได้อย่างนั้นโลกทั้งโลกก็เป็นที่ยอมรับกันจากนั้นขอร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าเราได้อบรมได้นําสั่งสอนลูกหลานของเราดีนะนา ก, การพูดการกล่าว ได้พบกับคณะศัทธา ญ, ญาติโฉมันที่ขาเห็นว่าสมควรกับการเวลาออขอยุตินะในการกล่าวสัโมทธนิยกถาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรายพระพุทธยาวพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพวกเราคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลาน ด้วยบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกทกท่านทุกๆ ก, ก, ก, กคนด้วยเทอินเออเอ็มพสา 3, มาแจกเถอะเอาชาดกแจกได้ลูกหลานนะ ฟังฟังชาดกหลวงพ่อบังนะเอาไปฟังนะลูกหลานนะฟังเทศฟังธรรมรบ<อ>ร่ในเอ็มพีสามหลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดเป็นชาดกนะ่ะเป็นนิาทานเออเป็นนิาทานมีพระเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งเหมือนกับนี่แหละเหมง เมืองหนองโบัวลำพูเนี่ยลองไหพระเจ้าพวพตาอย่างนั้นอ่เอะเออเออไว้พวพตาบันนี้พวพตาเนี่เออเมืองรอบข้างเนี่ยมันมันมันดีแต่พูดระเบ่าเขายอมรับกูระเบ่าการปกครองเนี่ยก็เลยเอาทหารทหารเออทหารมหาเล็กคู่ชีพคนเอกไปไปด้วยกัน แหมแปลว่าทหารคนนี้ก็เก่งเป็นหมกเป็นทั้งหมัดเป็นทั้งมวยเป็นทั้งหมดทุกอย่างเหมือนกันก็ไปด้วยกันไปลาดตะเวนปูบไปทามดูไ ป, ไปไง่ายพระเจ้าแผ่ดินปกครองอ่ะปลอมตัวเปไ็นเนยปลอมตัวเป็นไเปไง่ายพระเจ้าแผ่ดินปกครองแหมเขาโอ้ยดีมากคเขาอะไปที่ไหนเขาคนดีเหมือนกันแต่แตอนี้พอพระเจ้าแผ่ดินไปหลายบ้านแล้วพระเจ้าแผ่ดินเหนื่อยใช่ไหมไหน ไปเนยเห็นยายคนหนึ่งคงจะไปเต็มตำเนี่ยตํตาตํำข้าวเมาเ่เานอนไปตาของหมอคบก็เดื่องนอนไปเพราะตออกไปแต่นี่พระเจ้าเป็นดินนี่หิวเขาบาดนี้เพื่ออะไบอกเอ้ยมาหาเล็กไปไปไ ป, ไปขอเอ้ถ้าไปขอข้าวเมา่าก็กลัวเขาจะไม่ให้ใช่ไหอไปขอลําไปนขอลําอ่อนเขามากินไปขอหมอลาให้เอาขอลํามากินหน่อยมาหาดเล็ก มหาเล็กบอกโอ้อย่ามันไม่เหมาะสมหรอกเป็นพระเจ้าเป็นดินนี่ไปหากินกินลำเนะ่ะเดี๋ยวก็จะว่าพระเจ้าเป็นดินกินลำนะ่ะเสียศักดิ์ศรีมีแต่วัวกับหมู ก, หมกับมา้าแถน่ะกินลำเหงืนกันพระเจ้าเป็นดินไม่ควรจะกินลำนะเอาเถอะนากูหิว <c oughs> เลย <c oughs> ไ, ปไปเอาเม้าเถอะเนยกูหิวเถะเน่ อใครจะไปรู้ว่ากูกินลำมาแต่เมื่อเมืองกับกูจะอยู่ด้วยกันเดียวสันนี้ถ้ามึงเขินไปพูดไป้เมึงคอขาดนะจะกูไม่บอกมาสนนี้มึองอย่าไปบอกใครนะสันนี้ตอนนี้มหาดเล็กกัเพื่อพระเจ้าแผ่ดินสั่งเด็ดขาดเะนั้นก็ต้องไปแหลสะสันนัไปก็ไปขอไปขอลํำขอใย เ, เอาเลยกำขอเลยมหาดเล็กกับกำสิลปใบตองกล้วยมาให้ มาให้ปราชาปราชาเกิโอ้ยปราชาจะไปกินเทินกินลำเดี๋ยวเส้นถ้ากินกินโทศัพท์ออกไปถ้าได้ยินถึงใครอะเงี้ยเฮยก็บอกแล้วนี่มีแต่เมืองกับกูจะรู้นะ่ะมึงอย่าไปโพูดนะถึงมึงพูดออกไปมึงคอขาดนะกันปราชาก็หม่ำเลยขนาไหนกินลำเลยกินจนอิม่มพอ ก, กินอิ่มแล้วก็อ้าแยกย้ายกันกับไปหาต่างคนต้องไปหา ไปหาที่บ้านพักพอพักจะได้ไมาหาดเล็กนั่นนะ่ะคันปากมันขนาดไหนอยากจะพูดแบบอยากจะพูดให้ใครฟังบอกพระเจ้าไปดินกินลำกันเออแต่กลัวกลัวจะพูดไปกับกลัวจะคอขาดทีนี่ไม่ได้พูดไม่ได้ดไไดบวมไม่ได้ระบายออกไปได้หรออตายแน่แอกแตกแน่แน่เกันเถอะเนี่น คนมันปากบอนเป็นไอ้สันนลษฐานเลยพวกเขาจะเป็นปากบอนคือมหาดเล็กเนาะได้เห็นผู้ใดเฮ็นพิษอย่างไรเห็นเก่าหน้าเฮ็นพี่นะอยากบ่นเอาไปอดบ่นพ่นบ่นอะไรเอานูไปอยากบ่าวเอาหนูไปอยากระบายเอาหนูไปบาดบาหาะไรก็เลย บ่ได้ระบายบ่ได้ระใจสิขาดแท้ๆซะเลยก็เลยพายเรือไปบ้านพายเรือไปกลางทะเลไปพายเรือไปกไกลบ่พอพายยากินล้ำพายยากินล้ำหมดเลยทำก็กลัวกลัวเขาเห็นพวกเรือนะครับอยู่ไกลๆหรอกถ้ากูพูดเข้าไปถ้าเขาได้ยินขึ้นมาคอกูขาดแน่ๆพวกมันเลยไม่กล้าพูดอีกแล้ว กลับมาอีกคนละไปกลับมาก็จังอยากจะพูดอยู่งั้นเถอะว่าไปอยาม ก, กินลําเลย ไ, ไปก็ไปกลางท้องนา ไ, ไปกลางท้องนาขึ้นไปจอมปวกมองไปอยากจะพูดปะไม่กล้าพูดกลัวมันคนจะไปบงังบางจะตามข้างขางนาอีกตงางหากกลับมาเอกคนไปกลับไปเข้าไปป่าชา้าคนละไปป่าช้าคงไม่มีใครอยู่ควรจะเป็นระบายที่ป่าช้าแล้วว่าไปก็ ไปกล้าที่เอกวางลงไปมันไม่รู้ว่าใครจะไปมุดอยู่ข้างเมนข้างอะไรข้างคนที่เขาฝังผมหลุมศพนกันกลับมาไปไในเข้าไปในดงไป เ, เข้าไปในดงดงป่าใหญ่เร า, าไปไปเห็นไม้ประดู่ใหญ่ต้นขอนอเออแล้วก็บีเถาวันมันพันขึ้นไปไม้ประดูม่มันมันมันก็ขาดมันก็เหมือนเหมือนเนี่ยนะเออยอดมันขาดมันไป มีแต่เทาวันขึ้นไปแต่กูจะขึ้นไปนะี่ับขึ้นไปคือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบองลงไปโกนโพรงไม้ปดูใช่ไหมมันเป็นโพรงใหญ่พอมองไม่เห็นใครลเลยเนี่ยกูจะระบายจะเนี่นยยอดย้อนหัวลงไปในโพรงไม้ปดูเลยพญากินลำพยากินลำพยากินลำพ่ำพอได้อะไรมา ไมีแรงนะวะเออมีแรงขึ้นว่ะดูทําไม่ไดระบายไม่ได้ใจจะขาดเหมือนเหมืนี่อยากจะพูดตีนี้พอระบายแล้วก็เออหยุดแล้วบาทเลยพอได้ระบายแล้วใช่ไหมระบบระบายสืบโผร่งไม้ปนดูใช่ไหมแต่ในช่วงนั้นบาเนี้ยกองพระเจ้าเป็นดีนเนี่ยกองแตกมาเนี่กองไพรีตีเข้าสึกสงครามเลหจะเอียกองแตกว่างั่นแหละ บันนี้เขาเขาก็จะไปหากองมาเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยไปหากลองกองใหญ่ใช่ไหมกองใหญ่เนี่ย mm hmm. เขาจะไปเอาไม้ตันๆก็ไม่ได้นมันมันเจาะยากใช่ไหมเขาตรงมาหาหาไม้โพรงใช่ไหม <laughs> ตอนนี้นเขาก็ไปเห็นไม้ปะดูโอ้ต้นไม้ปะดูตัวนี้นเหมาะ้ะไปจะเป็นกลองกว่านั้นเขาก็ค่อยไปตันค่อยตัดตัดเขาค่อยโค่นลงมาแล้วมามาตัดเป็นท่อนพอตัดเป็นก็อนเขามาขูดข้างในให้มันเป็นกลองใช่ไหม แล้วก็มาปอกเปลือกให้มันดีทําให้เกลี้ยงสวยงามเลยจากนั้นเขาก็เอาหนังควายมาห่มมันไปมาห่มแล้วก็เป็นกองใหญ่เลยเข้าก็ไม่มีใครกล้าตีก่อนเพราะว่ามันต้องเป็นกองพระราชาพระราชาต้อง ต, งตงีก่อนเหมือนกันแนหะแต่เทวกรสั์มัดเสร็จแล้วก็ขึ้นห้างนะกัหามแหเข้าไปถวายพระราชา เ, เปลี่ยนกองลูกเก่าออกกองไฟเล่ แต่ใ้พระราชาขึ้นต่อโอ้กองสวยนะพระราชาเิเย็นค้อนกองให้พระราชาพระราชาก็ดได้ค้อนมาหนะะึ่งตามมตีมกตีกองบังตุ้งตุงตุงต้ ง, งใช่ไหมนะแต่เด็กพอจกขึ้นมาพระราชาไปตุ้พระราชากี่ห <laughs> ลตุง้งตุ้งบัดซ้อ ตีตบบุต๊บมาจอกพญากรีล้ม<笑><笑>โอ้พญาพญาเลยโยนโยนคอนกลองถิงตึ่เลยว่าเงินเอี่ยแต่พอโยนคอนกล่องทิ้งเลยเขาก็ไม่ได้พูดไปตอไปอีกว่าป ร, ราชาจะสืบสอบว่าใครมันทาไมมันยึงรู้ว่ากูกินล้มเลยถ้าถ้าป้ารายชาอีกเนี่ยคงจะสืบสอบไป มึงมาหาดเล็กมึงไปพูดไหมเจว่าเดี๋ยวว่าอีกใช่ไห mm hmm. เออเนี่แหละอันนี้เขาก็เลยไม่ได้พูดต่อหลวงพ่อก็เลยบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระราชาตัวเองเป็นผู้ใหญ่การทิ่การที่จะคิดจะทําอะไรต้องรอบคอบเพาะว่าเหมาะสมไหมตัวเองไปทําอย่างนั้นนะมันก็ไม่น่าจะทำใช่ไหมเพราะสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง แล้วมันมันเสียศักดิ์ศรีถ้าเราใครรู้ไปที่ไหนก็อายเขาไปที่นั่นไม่น่าจะทำเพราะตัวเองเป็นผู้ใหญ่แต่มหาดเล็กก็น่าตำหนิการเลือกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทำไมไปหาปากคันทำไมอะไรมากมายนักหนาตัวเองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ม, มันน่าจะฟังฟังเอาไว้ศึกษ า, าไว้ก็น่าจะมันก็น่าจะพอนี่ทนะําไเปเนี่ไปปากคัน ใยอถึงขนาดนั้นไม่ได้พูดก็จะจ ะ, จะล้มจะตายออกนะไม่น่าจะถูกลงพ่อววานะก็เลยมาพิจารณานแล้วมันผิดทั้งสองคนนะพระราชาก็ไม่น่าจะทำมหาดเล็กก็ไม่น่าจะปากคันถึงขนาดนั้นเหมือนกันเลยในฟองฟังไว้นะลูกหลานนะ <c oughs> ล้ำพ่อนะสนหน้ากวดหน้าอรดิชนกุศล